Thank you. สองวันนี้ได้อ่านข้อเขียนของอดีตนักโทษประหารที่เ่าเป็นอดีตนี่ไม่ได้แปลว่าเขาตายแล้วนะแต่ว่าเขาถูกลดโทษมากลายเป็นจ้องคุกตลอดชีวิตแทนผู้ชายคนนี้ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาต้องโทษประหารชีวิตนะข้อหาอะไรแต่เดา ว, ว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะนะ แล้วก็ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำ บ, บางขวางเรือนจำ บ, บางขวางนี่ก็มีหลายแดนแดนหนึ่งนี่ก็เป็นแดนของนักโทษประหารซึ่งก็มีทั้งนักโทษที่คดียังไม่สิ้นสุดนะก็คือว่ากาลังรอชั้นอุทธรณ์ดีกากับอีกประเภทนึงก็เป็นนักโทษเด็ดขาดก็คือว่าคดีถึงสิ้นสุดแล้ว แล้วก็หมายถึงว่าสารดีกาตัดสินแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตแล้วพวประหารเนี่ยทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่ในแดนเดียวกันซึ่งบางช่วงนี้ก็มีกันเป็นร้อยนะบางช่วงก็มีถึง300คนใน300คนนี้ก็เป็นนักโทษเด็ดขาดสประมาณสัก1 0คนแล้วพวกนี้ก็ชีวิตกัาเป็นอยู่ก็อย่างที่เราทราบกนะ็คือลำบาก นอกจากจะสูญเสีสารภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการหลับการนอนห้องน้ําห้องท่านี้ก็ไม่สะดวกเลยเวลานอนนี่ก็ไม่เคยเจอความมืดนะเปิดไฟตลอดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นอนกันแออัดทุกคนนี่ต้องสวมตรวจ ใส่ใส่ตรวนตัวนี้ก็หนักหลายกิโลเวลาจะเดินนี่ก็เสียงดังกรุ้งกริงหรือแม้แต่เวลาขยับตัวเพราะฉะนั้นเวลานอนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังเสียงโซ่กระทบกันอยู่อาจจะแทบทั้งคืนเลยและตอนเช้านี่พอมีใครบางคนตื่นเนี่ยทุกคนก็ต้องตื่นตามเพราะว่าเสียง เสียงตวนมันดังปลุกให้ทุกคนก็นอนต่อไม่ได้เสียงมันดังรบ ก, กวนก็ต้องลุกขึ้นมาส่วนนึงก็อยากจะลุกด้วยเพราะว่าจะได้ออกจากเรือนนอนออกจากตึกนอนไปเจออากาศบริสุทธิ์ซึ่งก็จะควรจะเป็นลานโล่ง น, นะที่มีตะข่ายเหล็กร้อมรอบคนก็อยากอยู่อยากเจออากาศ เจออากาศโล่งได้เห็นท้องฟา้าแม้เวลาไม่กี่ชั่วโมงพอถึงบ่ายสามก็ต้องกลับเข้าไปอยู่เรือนนอนตึกนอนให้เรียกตึกนอนแต่จากที่เขาเล่านี้ก็ผู้คนทั้งที่เป็นนักโทษประหารนะแต่ก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ลำบากได้จนคุ้นเคย ก็คือว่าไม่ได้มีความอนาถรร้อนใจอะไรมากมีการพูดคุยหยอกล้อ ก, กันมีการร้องเพลงใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติก็ว่าได้อันนี้ก็แสดงว่าธรรมชาติคนเราก็มีความสามารถนะในการปรับตัวอยู่ที่ไหนก็ตามนี่แม้จะลาบากแค่ไหนนะทีแรกก็อาจจะอึดอัดขัดเคือง อยู่ไปไปมันปรับตัวได้ก็พวกเราคงมีประสบการณ์อย่างนี้แหละนะตอนที่มาบวชใหม่ๆ ห, หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามาอยู่วัดก็อาจจะไม่ต่างกับการมาอยู่คุกก็ได้สูญเสีสาภาพหลายอย่างที่เคยมีแม้แต่โทรศัพท์ก็ต้องถูกยึดนะอาหารก็อาจจะไม่ถูกปากแต่พออยู่ไปแค่สักอาทิตย์สอาทิตย์ก็เริ่มปรับตัวได้ ก็กลับจะมีความสุขบางคนอาจจะกำลังนึกเสียดายว่าวันศึกใกล้จะมาถึงแล้วเสียดายชีวิตพระเสียดายผ้าเหลืองนะที่ต้องศึกหาราเพศออกไปทั้งที่ตอนมาใหม่ๆนี่ก็นับถอยหลังอยากจะให้วันศึกมาถึงเร็วๆออกพรรษาไปไวแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มนึกเสียดาย อันนี้นะักโทษประหารเหล่านี้เนี่ยนะ ก, ก็มีชีวิตที่เรียกว่าปรับตัวได้กับความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายจนเหมือนกับว่ามีชีวิตไม่ตายอย่างนักโทษปกติโดยอาจจะลืมไม่ได้ซ้ําว่าตัวเองเนี่ยนะมีโทษประหารชีวิตรออยู่แล้วมันจะมีนะพออยู่อยู่ไปเนี่ยสัก บ, บางคนมาอยู่สักปีหนึ่ง หรือหลายเดือนเนี่ยทุกอย่างก็ดูราบพื้นปกติแล้ววันหนึ่งเนี่ยประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าถึงสี่โมงสิบห้าเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงตกพื้นทุกคนก็จะเงียบกลิบทันทีเลยเพราะว่าันเป็นสัญญาณว่ามีเจ้าที่เี่จะมาเปิดเปิดห้องขังเวลาเปิดห้องขังเนี่ยมันก็จะมีมีเหล็กเนี่ยนะ ดูตดออมาจากขวงพอเหล็กเนี่ยกระทบพื้นพื้นปูนก็จะมีเสียงดังกริ้งภาษาชาวชาวบางควางก็เรียกเหล็กตกนะพอเหล็กตกนี่หมายความว่ามีเจ้าที่เนี่ยเปิดห้องขังเปิดทําไมเปิดเพื่อรับตัวนักโทษประหารนักโทษเด็กขาดเนี่ยไปแดนประหารถึงตอนนั้นทุกคนก็จะเสียววา่าโดยเพราะนักโทษเด็กขาด แล้วก็เฝ้าลุ้นว่าเจ้าที่นี้เขาจะประกาศชื่อใครสูตรชาติอยู่ไหนใครชื่อสมชายยกมือขึ้นถ้ามีคำพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเรียกตัวไปประหารจากบรรยากาศที่คนคุ้นเคยหยอกล้อหัวร้อพูดคุยกันพอได้ยินเสียงเหล็กตกนี่ทุกคนก็จะผวาทันทีนะ หรือเพราะนักโทษเด็ดขาดแล้วพอมีการเรียกพานักโทษออกไปจากตึกนอนทุกคนก็จะบรรยากาศ ก, าก็จะเปลี่ยนไปเลยเงียบกริบไม่มีการพูดคุยกันวันรุ่งขึ้นไม่มีใครอยากจะตื่นออกจากตึกไปเจออากาศโล่งนั่งซึม ไม่ไม่มีคนแม้แต่ทั้งอยากจะออกไปกินอาหารที่ซ้ามันกินไม่ลงเลยนะอาหารเหลือบานเบิ่เลยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหยอกล้ อ, อ ก, กันเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะเสร็จแล้วก็พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็เริ่มทำใจได้คนที่เข้าเขียนบันทึกนี่เขอธิบายเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เกิดความ เสียใจสงสารเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาเป็นปีแล้วเพื่อนก็หายไปเพราะถูกฆ่าอันนี้ก็สำหรับนักโทษที่ไม่ใช่นักโทษเด็กขาดแต่ถ้าเป็นนักโทษเด็กขาดก็พผว้าเลยว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับเขาไอ้ตอนที่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เหล็กตกเนี่ยนะเขาก็บางทีก็ลืมไปเลยนะว่า้ฉันเป็นนักโทษประหารคือคนเราเนี่ย พออยู่ๆปมันก็ลืมนะลืมลืมไปว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเวลานักโทษเนี่ยดูละครเนี่ยละครเนี่ยพอถึงฉากพระเอกกับผู้ลายสู้กันเนี่ยถามว่านักโทษนี่จะเชียร์ใครเกือบร้อยท้งร้อยนะเชียร์พระเอกนะเชียร์พระเอกอยากจะให้พระเอก เ, เอาชนะผู้ลายให้ได้ทั้งนั้นที่ตัวคนดูเนี่ยก็คือผู้ลายนั่นแหละนะ แต่ว่าเวลาเชียร์เชียร์พระเอกนะไม่เชียร์ผู้ลายนะเพราะว่าเป็นพวกคอเดียวกันนะชะตากรรมเดียวกันอันนี้มันก็สะท้อนว่าในด้านหนึ่งคนเราก็ยังรู้สึกมีผิดชอบชั่วดีนะคือถึงเป็นผู้ร้ายเป็นฆาตรกรฆ่าคมคืนนะก็ยังอยากเชียร์พระเอกให้เอาชนะผู้ล้ายได้แล้วขณะเดียวกันตัวเองก็ลืมไปนะว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายเป็นฆาตรกรเวลามีพวกฆาตรกรข่มขืนถูกจับแล้วก็เอามา ขังในคุกเนี่ยพวกนี้ก็โดนยำนะพวกที่ลุมยำก็ก็ไม่ใช่ใครก็นักโทษด้วยกันนั่นแหละซึ่งที่จริงก็ไม่ได้เป็นคนดิบคนดีอะไรนะก็บางคนก็อาจจะเป็นพวกคมคืนเหมือนกันเป็นฆาตกรเหมือนกันแต่ไปยำเขาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะในเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้ต่างจากตัวเองเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ก็เล่า ว, ว่ามีคราวหนึ่งเนี่ย พอได้ยินเสียงเหล็กตกเนี่ยนะอย่างที่บออนะเรือนนอนนี่ก็ตึกนอนก็นเงียบกริบแล้วก็ดูว่าเหล็กมันไปตกที่ห้องไหนเหล็กตกเสียงดังที่ห้องไหนถ้าเป็นห้องที่ตัวเองอยู่นี่ก็พวาแล้วพอเรียกชื่อนะคนคนนึงเนี่ยแกก็ข่าอ่อนเลยนะยกถูกลากออกไปจากห้องแค่นั้นไปพอมีเสียงเหล็กตกอีกอยู่หน้าห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีเสียงว่า คนไหนชื่อยูโซยูโซนี่เป็นมุสลิมกําลังละหมาดอยู่กําลังยืนละหมาดพอได้ยินเสียงตัวเองนี่นะเข่าออเลยนะซุดเลยแล้วก็ฟุบอยู่บนพื้นเนี่ยนิ่งเลยเรียกชื่อเท่าไหร่ก็ไม่มีการขานรับแสดงว่าสลบไปแล้วนะคือแค่ได้ยินเสียงแคะนะได้ยินเสียงตัวนี้มันความกลัวนี่มันขึ้นมาจนระทั่งเป็นลมไปเลย ก็ต้องคิ้วปีกนะไปแดนะหารเมื่อมีคำนึงนะก็มีเสียงเล็กตกอีกนะในห้องเดียวกับคนเล่าเนี่ยในนั้นก็มีนักทษประหารเด็กขาดอยู่ประมาณสองคนชื่อพี่ชานะพี่ชาคนคนเขียนก็เรียกชื่อพี่ชานายชาคนไหนออกมาแกไม่ยอมออกนะพี่ชานี่ไม่ยอมออก กูไม่ออกกูไม่ออกเจ้าที่ก็บอกว่าให้ไปรับหมายสั่งหมายรับสั่งกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อหมายรับสั่งนี่ก็หมายความว่าเป็นหมายรับสั่งที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีหมายรับสั่งให้ลดโทษคือในเช้านี่คงจะทําดีกานะเพื่อขอลดโทษประหารชีวิตปรากว่ า, าก็มีหมายรับสั่งมาว่าลดโทษ แต่แกไม่เชื่อนะไม่ยอมออกเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลอกเพราะเคยมีคดีแบบนี้นะหลอกว่าให้มารับหมายรับสั่งมารับทุนกล้าวนี่ยก็คือไปรับอยู่ไปรับหมายรับสั่งนับหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความขอบคุณเคยมีเจ้าที่หลอกไปบอกว่าไปแล้วไม่กลับมาเลยก็คือหลอกไปยิงยไปประหารในชานี่ก็ไม่ยอมออกนะกลัวมากเลย ที่น่าสนใจมีกลายหนึ่งนะดึงเสียงเหล็กตกเหมือนเงินนะในห้องนั้นก็มีห้องเดียวกับคนเล่าก็มีชื่อคนหนึงชื่อชื่อวิรัตนะแกเป็นนักโทษเด็กขาดแกก็ถามว่ามีเจ้าที่มาไหมอโอ้ยมีเจ้าที่มาเต็มตึกเต็มหน้าตึกเลยอันนี้ก็หมายความถ้ามีเจ้าที่มาเยอะแยะแสดงว่ามารับมารับนักโทษประหารไปไปแดนประหารจะตกใจมากเลยนะ แกรีไปสวนมนต์นั่งสมาธิเลยเพราะคิดว่าเนี่ยถึงคลางตัวเองแน่นอนบอกว่าไม่ใช่ตำรวจนะเป็นเจ้าที่ทหารเนี่ยเขามาตรวจดูสํารวจเพราะว่าพระองค์พาจะเสด็จนะไม่ใช่เจ้าที่นะราชทันแต่เป็นทหารก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าที่แกรู้ความจริงนะว่าไม่มีอะไรนะไม่มีการเรียกตัวใครไปไปแดนประหารแต่ ในเวลาคนนี้แกก็นั่งสันเลยนะการนั่งสมาธิก็สันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เหมือนกับคนปั๊มปัป๊เป๋ อ, เ, ปอเดินจงกลมทั้งวันแต่ว่าเดินเหมือนกับคนไม่มีสตินะใจลอยเมื่อยลอยเดินทั้งวันเลยกลับไปกลับมาที่จริงมันเหมือนหนูติดจันมากกว่าแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกับใครเรียกว่าไม่มีชีวชีวากไปเลยนะ นานทีเดียวก็คือไม่เป็นผู้เป็นคนเลยอันนี้แสดงให้เห็นนะเลยว่ากลัวมากกลัวมากมันก็ทําให้เห็นเลยนะว่าความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะคือทั้งน้นที่ในวิรันนี่ก็ก็ปลอดภัยนะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวแต่เพราะความกลัวทําให้แกเนี่ยเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยปั่มปั่มเป๋อเปหมดสติไปเลย ไม่พูดไม่คุยกับใครคือพอความความกลัวเนี่ยมันมันมันถูกกระตุ้นอย่างแรงกล้านี่นะมันประสาทเสียเลยนะแล้วความกลัวแบบนี้สามารถทําให้คนตายได้ตายเพราะช็อกก็พบ ว, ว่าในในอเมริกาที่พบว่าเวลามันมีเช่นเฮอริเคนหรือแผ่นดินไหวเนี่ยโดยเฉพาะพายุเฮอริเคนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดพายุเฮอริเคนเนี่ยก็จะมีพบว่ามีคนตายเยอะกว่าปกติ ก็ไปสอบถามว่าคนที่ตายเนี่ยตายเพราะพายุหรือเปล่าปบอกว่าจํานวนมากนะไม่ได้โดนพายุพัดผ่านด้วซ้ําเลยนะบ้านบ้านบ้านเรือนก็เป็นปกติแต่ว่าหัวใจวายตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตัวแล้วก็ชีวิตของตัวเลยแต่ว่าหัวใจวายตายแปลว่าอะไรก็กลัวมาก ถ้าความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายบางคนเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ตายนะแต่พอกลัวตายหรือถูกกระตุ้นให้ให้กลัวตายเนี่ยให้เกิดความกลัวเพราะคิดว่าความตายใกล้เข้ามาเนี่ยมันช็อกไปเลยนะถ้าไม่ตายเพราะหัวใจวายก็ปั้มปเปื่อๆตรงข้ามคนที่เวลาเจอความตายแต่ไม่กลัวเนขาก็สามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้จนกระทั่งวาระสุดท้ายนะมาอ่านเรื่องของ ผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยนซึ่งเขาจะาตอนนี้คงยังอยู่ในคุกและก็อดคิดไม่ได้ว่าที่จริงเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่นะมันก็คือนักโทษประหารเหมือนกันนะนักโทษประหาร น, นี่มันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในบางขวางคนเราทุกคนเนี่ยทันทีที่เกิดมาก็ไม่ต่างจากนักโทษประหารก็คือว่ามีการมีการตัดสินแล้วว่าต้องตายแน่นะ เพียงแต่ว่านักโทษประหารอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่บางคนก็โชคดีหน่อยก็อายุยืนเป็นร้อยนะักกว่าวันประหารจะมาถึงคือวันตายแต่บางคนก็อยู่ได้ไม่นานบางคนเกิดมาได้แค่9ก้าสิบวันก็ตายมีลูกของเพื่อนนะคลอดก่อนกำหนดก็อยู่ได้แค่99วันนะ ก็ตายนักโทษประหารอย่าพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ต้องตายแน่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายด้วยเหตุใดไม่เหมือนกับนักโทษประหารในคุกนะถ้าไม่โดนยิงป้าวก็โดนฉีดยาหรือว่าถ้าเป็นในเมืองนอกก็นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแต่คนส่วนให ญ, ญ่ไม่คยตระหนักว่าน้าว่าตัวเองเนี่ยคือนักโทษประหารแล้วทั้นที่รู้น้ว่าเราทุกคนต้องตายแต่ว่าก็มักจะอยู่แบบคนลืมตาย ก็คือลืมไปว่าสวันหนึ่งตัวเองต้องตายบางคนก็อายุ 70-80 แล้วก็ยังเก็ยังอยู่แบบลืมตายก็มีแต่จริงมันก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะขนาดนักโทษประหารเนี่ยรวมทั้งนักโทษเด็ดขาดด้วยเนี่ยเวลาพวกนี้อยู่ในบางขวา น, นี่เขาก็ลืมบางบ่อยคั้งาก็ลืมแล้ววเขาจะต้องถูกประหารไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเฮฮาสนุกสนาน แล้วก็ดูจะไม่ได้เตรียมตัวตายด้วยซ้ำคือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจขนาดว่าเป็นนักโทษประหาร น, นะนักโทษเด็กขาดแล้วยังไมไ่เตรียมใจเลยเพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่มาเรียกเรียกชื่อเนี่ยเป็นลมไปเลยหรือว่าผวาหนักบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาเรียกชื่อเลยซ้ำแต่มาโนเอาว่าเจ้าที่มาเรียกนะก็ความกลัวแตกซ่าน อย่างคนที่ชื่อวิลัตเนี่ยอันนี้มาแสดงเห็นว่าธรรมชาติของคนเล่นี้ประมาทมากนะแต่ถ้าหากเราเตือนใจอยู่เสมอนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเพราะเราทุกคนเนี่ยแล้วเราเตือนใจว่าเนี่ยเราก็วิธีการเตือนใจอย่างนคือเตือนว่าเนี่ยเราทุกคนก็เป็นตโทษประหารอะไรคือความผิดนะที่ทำให้ถูกประหารก็คือเกิดมานั่นแหละนะการเกิดมา ในโลกนี้แหละนั่นแหละคือเหตุผลเพียงพอที่จะต้องตายเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกสังขารนะเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่ว่านนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความจริงที่น่ากลัวนะาหากว่าเราตระหนักมันตั้งแต่แรกแล้วก็เตือนใจเราอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอย่างที่บอกไว้แล้วความตายไม่น่ากลัวเท่ า, าความกลัวตาย ถ้าเราเตือนใจเราอยู่เสมอว่าสักวัน่เราต้องตายเราก็จะคุ้นชินกับความตายถึงเวลาความตายใกล้เข้ามาหรือมาถึงเราก็พร้อมแต่จริงๆเนี่ยถ้าจใจพร้อมรับความตายเนี่ยแค่นึกถึงเรารึกถึงความตายของตัวเองไม่พอนะมันต้องมีการทำอย่างอื่นด้วยเช่นทาคุณงามความดี คนเราถ้าทำคุณงามความดีมาทั้งชีวิตเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชืว่วงตัวเองเนี่ยเป็นช่วยที่มีคุณค่าไม่เสียไม่เสียชาติเกิดไม่เสียใดที่เกิดมาคนเราถ้ารู้สึกว่าใช้ช่วยอย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยถึงเวลาจะตายก็ไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจนะแล้วก็มั่นใจด้วยว่าตายไปแล้วก็จะไปดีไปสุกติแลนะความดีเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นหลักประกัน ที่ทำให้เราเนี่ยพร้อมรับความตายได้แต่มันก็ไม่ใช่หลักประกร100้ร์เซน ะ, ะเพราะว่าถ้ายังมีความถือแม้ทำความดีไปแต่ว่ายังมีบางอย่างที่ค้างคามีบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำกับให้กับคนรักบุปการีมันก็ทำให้ไม่พร้อมตายเหมือนกันเช่นพอจะตายแล้วก็นึกเสียดายว่า ไม่ได้มีเวลาดูแลพ่อแม่หรือว่าไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกให้นานอันนี้ก็ทำให้ใจมันไม่พร้อมตายนะมันจะต่อสู้ขัดขืนความตายเพื่อจะได้กลับไปนะมีเวลาหรือทำหน้าที่ให้กับคนที่ตัวเองรักนอกจากการทำความดีนะไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยนะการที่เราพยายามทำหน้าที่ที่ที่พึงมี นะให้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่ทำให้เราพร้อมเผชิญความตายได้คือพอจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกค้างคาว่ายัางไม่ได้ทำหลายคนก็นึกถึงการไปเที่ยวการได้ทำสิ่งที่รักอันนี้ก็สาหรับคนธรรมดาก็ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะ มันก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานนะที่ตอบสนองความต้องการสุดท้ายของคนใกล้าตายเรียกลาสสวิชบางคนก็อยากไปเที่ยวบางคนอยากจะไปทําบุญบางคนอยากไปเจอดาราอันนั้นก็เป็นความความปรารถนาแบบโลกโลกนะแต่มันก็ไม่ช่วยทําให้ช่วยทําให้พร้อมตายได้เท่ากับการที่เราสึกว่าเออชีวิตเราทําดีมาเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรค้างคา สิ่งที่ควรทําก็ทําสําเร็จเสร็จสิ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะรู้สึกอยู่เสมอว่ายังมีอะไรที่ไม่ได้ทําอีกหลายอย่างนะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็เพราะวาความประมาทคิดว่ายังมีเวลายังมีเวลาจะให้กับบุพการีมีเวลาที่จะให้กับลูกมีเวลาที่จะทํำนั่นทานี่ยัไม่ตายง่ายหรอกตอนนี้ฉันขอทํางานหาเงินก่อนตอนนี้ฉันขอเที่ยวก่อนนะอันนี้ก็ เป็นความผิดพลาดของหลายคนที่ทําให้โอกาสทองหลุดลอยไปเพราะว่าบ่อยครั้งความตายมันมาเร็วกว่าที่คิดที่จริงความตายมันมาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดเสมอแม้ว่าจะอายุแปดสิบเก็ยังรู้สึกว่าฉันยังไม่น่าตายตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ไปได้อีก5ปี10ปีคนทุกคนจะรู้สึกนี้ว่าความตายมาเร็วกว่าที่คิดแก่แค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ายังน่าจะอยู่ต่ออีกสักอีกสักระยะหนึ่งจะได้ทํานั่นทํานี่ ไอ้ตอนที่มีโอกาสไม่ทำนะเคยจัดอบรมไอ้ทำกิจกรรมนะให้คนเนี่ยซ้อมตายว่าตัวเองกำลังจะตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ค่อยพูดให้เขาค่อยคบิ้วนะค่อยคให้พูดด้เขาจินตนาการว่าเขากำลังจะตายหัวใจกําลังจะหยุดเต้นลมหายใจกำลังจะหมดตัวกาลังจะแข็งวิญญาณกำลังจอดกับล่างเสร็จแล้วจู่มพยายมมรานะ ยมพยาลมา ย, ายมมาร่าก็มาบอกว่ายัางไม่ตายวันนี้ยังมีเวลาอีกสามวันที่จะตายก็บอกให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกถามเขาว่าถ้าเ้ามีเวลาสามวันเขาจะทำอะไรในเวลาสามวันสุดท้า ย, ยแต่ละคนก็จะอยากจะทำนั่นทานี่อยากจะไปหาแม่อยากจะไปกราบพ่ออยากจะไปทำบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรม น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกว่าอยากจะไปเที่ยวเลยไอ้ที่ใช้เวลาจำนวนไม่น้อยแบบการช้อปปิง้งใช้เวลาไม่น้อยการดูละครพอสามวันสุดท้ายนี่ไม่มีใครบอกว่าอยากจะดูละครอยากจะไปช้อปปิ้งเลยมีแต่อยากจะทำความดีอยากจะทำสิ่งที่มีคุณค่าอยากจะไปอยู่กับลูกอยากจะไปขอข้ำมาอยากจะไปขอโทษเพื่อ น, นก็ถามเขาเนี่ยไอ้ที่คิดว่าอยากจะทำเนี่ยสามันพอม หลายคนบอกไม่พอนะมันมีอะไรให้ทําเยอะไปหมดเลยสามวันน้อยไปแต่ถามไเอีกว่าจริงๆเนี่ยการที่คนเราจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะตายเนี่ยรู้ล่วงหน้าสามวันก่อนตายเนี่ยถามว่าการรู้ล่วงหน้าสามวันก่อนตายเนี่ยมากหรือน้อยทุกคนก็บอกว่ามากเนะพราะคนร่างจริงมันไม่รู้หรอกว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้ารู้ล่วงหน้าสามวันนี่ถือว่ามากหลายคนก็ได้คิดเลยนะโอ้ เวลาสามวันที่เราคิดว่าน้อยเนี่ยมันมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะเลยจริงๆเนี่ยมันมากด้วซ้ําเพราะในความเป็นจริงเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นที่จะรู้ลงหน้าก่อนตายก็ถามไปว่าเนี่ยที่คิดอยากจะทําโน่นทํานี่เนี่ยทุกวันที่ได้ทําบ้างหรือเปล่าหลายคนก็บอกไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ก็เลยถามว่าทําไมไม่ทํทาทั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะทำไมสําคัญแล้วไม่คิดจะทําก่อนตายหรอก คำตอบก็คล้ายๆกันคือคิดว่ามีเวลาหรือบางทีก็ไม่ได้คิดเลยนะอันนี้ก็ทําให้หลายคนได้คิดเลยโอ้คนเรานี่ถ้าอะไรที่ควรทําก็รีบทำซะเพราะว่าความตาจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าพอผ่านไป4ีหวันหรือผ่านแปอาทิตย์นึ่งความเคยชินเดิมๆจะกลับมาหรือเปล่าคือกลับไปหลงวนอยู่กับ ชีวิตประจําวันนะซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องการทํางานนะเรื่องการเที่ยวนะไอ้ที่อยากจะทําสิ่งดีๆสามวันก่อนตายก็อาจจะค่อยๆลืมหายไปเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งเราสิ่งกระตุ้นเตือนใจอยู่เสมอนะก็คือการเจริญมรณะสติต้องเตือนมรณสติอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอบอกเราเตือนตัวเองว่าเราเป็นนักโทษประหารนะ ไม่รู้ว่าวันไหนนะจะถูกเรียกตัวนะสู่แดนประหารการเจริญมรณาสติคือการระลึกถึงความตายขอยงตัวเองไม่ใช่แค่นึกเอาเล่นๆนะบางคนก็เวลาให้นึกว่าตัวเองต้องตายเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันเรียกไปตาดาบหน้าคิดว่าตัวเองพร้อมแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆนี่ไม่พร้อม ก็ขนาดนักทประหาเนี่ยที่อยู่ในแดนประหาแล้วนี่นะพอวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่มาเรียบมาเรียกตัวถึงกับช็อกเลยนะพวกนี้อาจจะคิดว่าฉันเตรียมตัวมาแล้วนะแต่พอเอาข้อจริงเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะความกลัวเนี่ยความกลัวนี่มันมันรุนแรงมากจนเอาไม่อยู่ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ประมาทไปคิดว่าฉันเตรียมใจไว้แล้ว ขอแบนี้มันคิดเอาไม่ได้นะมันต้องฝึกด้วยนะต้องฝึกด้วยการจินตนาการว่าจินตนาการถึงความตายที่กลังเกิดขึ้นกับเราบางทีเวลาเรานั่งรถเรานั่งรถที่วิ่งเร็วนีนะ่ลองจินตนาการสักหน่อยว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามันมีรถ10บล้อพุ่งมาชนให้ตอนที่เรานั่งรถ ที่กำลังเล่นด้วยความเร็วร้อยร้เนี่ยบางทีมันเพลินนะแต่พอนึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความกลัวตายมันมันพุ่งขึ้นมาเลยมันเสียววูบเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องเช็คนะว่าเราพร้อมหรือเปล่าเอาคนที่คิดว่าพร้อมอ่ะฉันไม่ฉันไม่เขาไม่ฉันไม่กลัวตายหรอกไอ้ที่พูดเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ไม่มีอะไรมามาคุกคามมันเป็นเหตุการณ์ปกติแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มัน ชวนหวาดเสียวเนี่ยเพียงแค่จินตนาการเนี่ยบางทีใจมันวูบเลยนะหรือว่ากำลังนั่งรถข้ามสะพานเนี่ยจินตนาการว่ารถมันเกิดตกสะพานลงแม่น้าหรือรถกำลังเล่นอยู่บนสะพานลอยเกิดอุบัติเหตุเนีมันฉลับลงจากสะพานลอยซึ่งสูงขนาดตึก5ชั้น1ิบชั้นเนี่ยมันจะเห็นความกลัววูบขึ้นมาเลยนะ คนที่ไม่ได้ฝึกตรงนี้ก็เป็นเครื่องชีว้ว่าเรายังไม่พร้อมนะแต่มันก็ดีถ้าเจอเหตุการณ์นี้บ่อยบย่มายถึงว่าจินตนาการแบบนี้บ่อยบย่อยมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้ตัวว่าเราไม่พร้อมเราก็ต้องฝึกให้มากขึ้นเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยลองจินตนาการว่าเครื่องบินมันตกเนี่ยคือมันต้องจินตนาการแบบเนี้ถึงจะได้รู้ว่าเราพร้อมแค่ไหนเพราะนั่งคิดเอาเนี่ยนั่งคิดเอาในศาลาเนี่ยหรือที่บ้านเนี่ย มันคิดแต่มันยั ง, ยงไม่จริงพอหรือมันยังไม่เฉดใกล้ความจริงมันก็เหมือนกับนะคนที่เล่นหุ้นนะนะคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงคนที่เขาวางแผนดีเขาก็รู้ว่าเนี่ยถ้าหุ้นราคาถ้าหุ้นไม่ตกเกิน 10% เนี่ยจะไม่เทขายนะมันก็มีคนเนี่ยที่วางแผนแบบนี้นะถ้าหุ้นไม่ตกเกิน 10% เนี่ยไม่ขาย จะรอเพราะว่าหุ้นอาจจะดีดตัวขึ้นก็นได้แต่หลายคนเนี่ยพบว่าพอหุ้นมันตกแค่ห้าเนี่ยรีบเทขายเลยเพราะอะไรเพราะกลัวทั้งที่เตรียมไว้แล้วนะเผื่อใจไว้แล้วนะว่าถ้าไม่ถึงถ้าตกไม่ถึงส 0% ไม่ขายแต่ตอนที่คิดเนี่ยมันคิดตอนที่ยังไม่มีความกลัวนคนเราเพอกลัวแล้วเนี่ยนะมันลืมหมดนะไอ้ที่วางแผนอะไรไว้อมันลืมหมดความกลัวนี่มันครอบงำใจไอ้นคนที่บอกว่ า, วาเนี่ย ความตายมาฉันพร้อมอันนี้เพราะว่ายังไม่ได้เจอความตายมาม า, มาประชิดตัวหรือเฉียดเข้าใกล้นะพอเจอเข้าไปจังๆนี่นะโอ้มันช็อกไปเลยก็มีนะอย่างอย่างยูโซเนี่ยนะหรือว่าวิลัตเนี่ยครัวพว้นี้เขาคิดอยู่เสมอนะว่าความตายจะเกิดขึ้นเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่ได้เตรียมตัวดีพอพอมันเกิดขึ้นจริงก็สลบไปเลยช็อกไปเลย หรือเป็นบ้าไปเลยไร้สติสตังแล้ ว, วกนี้ประมาทไม่ได้ต้องฝึกสม่ำเสมอเป็นอา จ, จินครันคุณูดกันท่านนี้